ของเสพเต็มไปหมดสุขกลับลดทุกก็ง่ายและจัดการที่ไม่รู้อีกไม่รู้พอเที่ยวลั่นไปสแสวงหาวิ่งไล่ไขว่ควา้าตามหาความสุขอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ต่อไปก็จะเกิดภาวะอันหนึ่งขึ้นคือกลายเป็นคนที่ทุกข์ง่ายสุขได้ยากแต่ก่อนนี้ย้อนหลังไปตั้งแต่เป็นเด็กเล็กก่อนหัดเดินเด็กจํานวนมากร้องง่าย ยิ้มรารื่นสนุกสนานร่าเริงมากได้อะไรนิดหน่อยก็สุขเห็นอะไรนิดหน่อยก็สุขแต่พอโตขึ้นโตขึ้นกลายเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นยากขึ้นอย่างที่ว่าของที่เคยได้เคยเสบแล้วเป็นสุขนักหนากลายเป็นชินชาเบื่อหน่ายทำให้เฉยหรือฟืนใจเป็นทุกข์ไปหมดจะต้องได้อย่างที่ปรารถนามากมายเหลือล้นจึงจะสุขได้ แต่ก็สนองความต้องการไม่ได้สมใจได้แต่วิ่งไล่ไขวขว้ความสุขอยู่เรื่อยไปไม่ถึงสักทีแล้วก็เป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นยากขึ้นทุกทีพอเป็นคนที่สุขได้ยากก็จะมีภาวะตรงข้ามด้วยคือกลายเป็นที่ทุกข์ได้ง่ายก่อนนี้จะไม่มีจะขาดอะไรไปบ้างมีความไม่สะดวกบางอย่างจะต้องทำอะไรอะไรบ้าง จะต้องใช้เรี่ยวแรงกำลังบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ใช่เรื่องที่จะทุกต่อมามั่งมีสีสุขมีพร้อมทุกอย่างจะทำอะไรอะไรก็มีคนทำให้หรือสั่งเอาได้ทุกอย่างแสนสะดวกสบายไม่ต้องใช้กล้ามเนื้ออื่นใดนอกจากแค่กล้ามนิ้วทีนี้ก็ติดสุขติดสะดวกขาดอะไรนิดไม่มีอะไรหน่อยของมาไม่ทันเดียวเดียวไม่ได้อะไรอย่างใจ ต้องทำอะไรบางอย่างต้องออกแรงบ้างทุกอย่างคือทุกไปหมดนอกจากสุขได้ยากแล้วก็กลายเป็นคนที่ทุกได้ง่ายแล้วก็มีทุกมากมายขึ้นด้วยอย่างนี้ก็สวนทางการพัฒนาชัดๆนี่คือตรงข้ามกับการพัฒนาเลยทีเดียวถ้ามนุษย์พัฒนาขึ้นมายิ่งเติบโตขึ้นเขาก็ต้องเก่งขึ้นในการมีความสุขด้วย ต้องมีความสุขได้เองมากขึ้นต้องสุขได้ง่ายขึ้นและทุกได้ยากขึ้นคนที่ว่าพัฒนาก็ต้องมีความสุขที่พัฒนาด้วยต้องมีความสนุกมากขึ้นเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นเป็นคนที่ทุกได้ยากขึ้นต้องเป็นคนชนิดที่ว่าจะอยู่อย่างไรจะต้องทำอะไรถ้าเป็นวิสัยธรรมดาของมนุษย์แล้วก็ฉันสุขได้ทั้งนั้น เป็นคนที่พูดได้ว่าไหนนะกลายจะมาทําให้ฉันทุกข์นี่นหรอืออย่าพยายามให้เหนื่อยเลยไม่สำเร็จหรอกแต่เวลานี้ดูทีท่าว่าจะกลับกันกลายเป็นว่าคนสมัยนี้สุขได้ยากนักหนาแต่ทุกได้ง่ายผิดธรรมดาดูเด็กยุคไอทีมีลักษณะอย่างนี้กันมากเหตุอย่างหนึ่งเป็นเพราะว่าความเจริญทางเทคโนโลยีที่ร่างปรู มาสนองความต้องการในการเสพและทำให้สะดวกสบายให้ง่ายนั่นเองทำให้คนชินชากับการเสพง่ายและความสะดวกสบายเหล่านั้นจนกลายเป็นขาดไม่ได้ต้องได้ต้องง่ายต้องทันใจถึงใจฉันถึงจะสุขได้ถ้าไม่ก็คือทุกข์แล้วก็กลายเป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากอย่างที่ว่า แต่สาเหตุที่แท้อยู่ที่การพัฒนาที่ไม่ถึงไม่ทันแล้วก็ไม่ถูกทางทําให้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นแทนที่จะมาเป็นเครื่องเสริมเติมความสุขกับกลายเป็นตัวที่มาตัดรอนความสามารถที่จะมีความสุขทําให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ที่หมดสมรรถภาพในการมีความสุขนี่คือสภาพที่มนุษย์รับมือกับเทคโนโลยีไม่ถูก ประโยชน์แท้ที่ควรจะได้จากเทคโนโลยีก็พลาดเลยแทนที่จะได้ผลบวกกลับกลายเป็นลบไปจะต้องเตรียมใจเตรียมปัญญาให้ดียิ่งมีวัตถุพรั่งพร้อมมีความง่ายมีความสะดวกสบายมากเราก็ยิ่งต้องฝึกฝนพัฒ น, ฒนาคนให้เขายิ่งมีความสามารถที่จะมีความสุขมนุษย์นี้มีศักยภาพที่จะมีความสุข เขาจึงพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขนั้นได้แต่เมื่อมนุษย์โมวิ่งแล่นหาความสุขโดยการมุ่งแต่เสรภายนอกเขาก็ทำตัวเขาเองให้สุขได้ยากขึ้นแล้วก็ละเลยไม่พัฒนาศักยภาพในการที่จะมีความสุขเมื่อไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขก็กลายเป็นสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนั้นไปจนในที่สุดเขาก็อาจจะหมดความสามารถ ทีี่จะมมควาสุขเพราะฉะนั้นอย่าลืมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้ควรถือเป็นหลักทีเดียวว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นเราต้องมีความสามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นถ้ามิฉะนั้นก็ไม่มีทางจบตัวเองก็หาสุขไม่จบคือไม่พบและทุกข์ก็ขยายแต่สุขก็ยากขึ้น แลวก็ต้องเบียดเบียนกันมากขึ้นมากขึ้นทุกขีเพราะฉะนั้นโลกก็ต้องเดือดร้อนอย่างนี้เรื่อยไปไม่อาจลูกถึงสันติภาพได้สักทีแต่ถ้าพัฒนาความสุขให้ถูกก็แก้ปัญหาทุกอย่างไปในตัวธรรมะต่างๆทั้งหลายก็จะเข้ามาสู่การใช้ปฏิบัติอย่างถูกตำแหน่งถูกที่เพราะในระบบที่ถูกต้องธรรมะทั้งหลายย่อมประสานกลมกลืน พากันมาแล้วก็โยงถึงกันเป็นอันว่าการมาสุขหรือสามิสุขมีโทษมากอย่างที่ว่ามาและยังเป็นเหตุให้ทำความชั่วอื่นๆเพราะต้องการการมาสุขในระบบเงื่อนไขขยายเขตแดนของการทำความชั่วความทุจริตทั้งหลายกว้างขวางออกไปดังได้พูดมาแล้วก็ขอให้นำมาโยงกับเรื่องตอนนี้ด้วยนั่นคือเรื่องของตันหาในระบบเงื่อนไข ที่คนมุ่งให้ได้สิ่งที่ตนต้องการโดยหลีกเลี่ยงหรือไม่เต็มใจทำเหตุปัจจัยที่ตรงไปตรงมาในกระบวนการของธรรมชาติเราจึงจะต้องพัฒนาคนด้วยการพัฒนาความต้องการให้เขาเข้ามาในระบบที่กฎมนุษย์ไปเชื่อมต่อหนุนกฎธรรมชาติด้วยสันทละให้ได้ตรงนี้ก็เป็นนันว่าเรื่องคุณและโทษของสุขพูดไว้แค่นี้ก่อนพอให้เห็นแนวทาง จุดสำคัญที่อย่างน้อยขอให้ได้ในการปฏิบัติโดยมีนิสระปัญญาต่อความสุขทุกอย่างตั้งแต่การมาสุขขึ้นไปตราบได้ที่ยังไม่สิ้นกิเลสคือระวังว่าเมื่อสุขต้องรู้ประมาณและไม่ประมาทและอย่าอ่อนแอเป็นต้นก็จะตามมาได้